ถ้าอย่งงางนั้นแล้วเราจะทำยังไงกับทานดีสำหรับนักวิปัสสนาควรเลิกทำทานเลยไหมไม่ควรเลิกเราต้องทำให้ถูกกาลละแล้วก็ควรจะต้องทำทานให้เป็นนี่ทำทานเป็นกลายเป็นเกื้อกูลวิปัสสนาที่ท่านเรียกว่าวิวัตคามินิทานอันหนึ่งหรืออาลังเขาเรียกว่า จิตอลังการเป็นเครื่องประดับจิตเป็นทานมีผลมากมีอานิสงมากและอธิบายว่ามีเป็นทานที่มีผลมีอานิสงมากเพราะว่าผู้นั้นทำทานแล้วไม่ได้จบอยู่กับทานทำทานแล้วอาศัยบุญของทานพลังของทานเนี่ยเป็นบาดสนองความประสงค์ในวิปัสสนาทานก็จะเป็นเครื่องอนุเคราะห์ศีลอนุเคราะห์ จิตอนุเคราะห์วิปัสนาขอให้ทําให้เป็นแล้วกเ็เราอ่านประวัติของพระอรหันต์หลายองค์ก็มาได้ความสะดวกในความสําเร็จทางวิปัสนาเพราะทานแต่เบื้องก่อนทีนี้ถ้าเราจะพูดลึกลงไปอีกนิดหนึ่งก็บอกว่าเราอาศัยทานเป็นบาทเนี่ยด้วยอํานาจของกฎแห่งกรรมคือวิบากรรมของทาน มาเป็นเครื่องอุดหนุนแต่อาศัยศีลอาศัยจิตเนี่ยเรามุ่งผลในทางอุปนิสยัยผมจะพูดลึกไปว่าไม่รู้นะผลทางอุปนิสัยคือรักษาศีลไม่ได้รักษาเอาเอาอะไรอื่นแต่เอาอุปนิสยัยเอาพลังทำเนม่เพื่อหนุนทำสูงๆขึ้ น, ข, น, ข, นขึ้นไปเกิดขึ้นกับเราเพราะว่าในการทำวิปัสสนาเนี่ยปรากฏว่า พอวิปัสนาแล่นลึกก็กลายเป็นอย่างนี้ฮะลังเกียจลังเกียจกรรมอย่าว่าแต่ว่ามองเห็นผลผลบุญบาปไม่ต้องพูดถึงเป็นเรื่องเล็กแล้วพอไปถึงขั้นสูงเห็นบุญเนี่ยเป็นอันตรายไปสิอีกเห็นบุญเป็นอันตรายไปสิอีกเลยกลายเป็นว่า คนที่เขามุ่งความเจริญในวิวพศาสนาเนี่ยเขาไม่ต้องการจะได้ผลบุญและบุญกลายเป็นมารแต่สิ่งที่เขาอยากได้แล้วก็เห็นประโยชน์คืออุปนิสัยของธรรมที่จะเกื้อกูลอุ่นุนไปตามลาดับชั้นจนกว่าจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานอย่างไรก็ตามที่พูดนี้ผมเพียงแต่พูดแสดงขั้นให้เข้าใจแต่ไม่ได้พูดเพื่อให้เราเลิกสนใจบุญ โดยไม่มีเงื่อนไขก็หาไม่ได้อ่ะอันนี้มาดูต่ออีกมุมหนึ่งเมื่อกล่าวโดยมุมของภูมิของวิปัสสนากล่าวโดยภูมิของวิปัสสนามีอยู่สองภูมิอะภูมิหนึ่งเป็นโลกิยะภูมิหนึ่งเป็นโลกุตตรละ ภูมิที่เป็นโลกิยะก็กำหนดตั้งแต่อนุโลมยานถอยลงไปถึงยานที่หนึ่งนะถ้าเอาวิปัสนาเทียมเข้าไปด้วยก็ถึงยานทีหนึ่งเป็นโลกิยะวิปัสนาที่เป็นโลกิยะวิปัสนาเนี่ยเอาอะไรเป็นเครื่องกำหนดตอบว่าเอ า, เอา จิตในในเอกสารนี่มีเคลื่อนอยู่นิดนะแล้วในแผ่นสายหนึ่งก็รู้สึกจะเคลื่อนด้วยว่าไม่ไม่ใช่เคลื่อนใ น, ในเอกสารนี่เติมเติมติตรงนี้ฮะโลกุตระในในเอกสารไม่มีเติมไอไอออกับปีกากำกลับว่าวิปัสนาโลกุตระเนี่ยหมายถึงมรรคญาณบุรยานเท่านั้นเป็นโลกุตระ อื่นนอกจากนี้จัดเป็นโลกียะโลกิยะเนี่ยหมายถึงยังไม่ไม่ไม่บรรลุก็ดีหรือบรรลุแล้วแต่จิตที่มาทำกิจนั้นเป็นจิตสามัญถ้าเอาคำตอบกันอย่างชัดๆอย่างหลักๆก็คือที่เป็นโลกียะวิปัสสนานั้นเพราะตัวยานนั้นเป็นมหากูสล ญาณ น, นะสัมปยุตตะจิตคนไม่เรียนพระพิธารมก็าอาจจะฟังยากนิดนะปัญญาที่เป็นเป็นมหากุศลจิตอย่างที่เราเรามีเนี่ยเพียงแต่ว่าพัฒนาไป ถ, ถ, ถึงจุดเบื้องสูงแต่จิตยังเป็นโลกิเป็นเป็นกามาวจรกุศลอยู่ที่เป็นโล ก, กุตลาเนะเพราะจิตเป็นโล ก, กุตลาจิตแปดดวงโล ก, กุตลาจิตมีแปดดวงแล้วก็ปัญญา ต่ำกว่านั้นก็ถือเป็นโลกีจิตในนี้ใส่ข้อกำหนดไว้ว่ามหากุศลยานสัมยุทธสี่เพราะเวลาที่เราเกิดมากุศลเนี่ยมียานสัมยุทธยานวิะยุทธได้แก่มีปัญญากับไม่มีปัญญาผมก็จะพาลงมาสู่ความรู้สึกของคนที่ได้วิปัสสนาญาณทั้งหมดใน ท, ง ท, ทางทฤษฎีนิบูรังทฤษฎีท่านว่าคนที่ได้วิปัสสนาญาณ ตั้งแต่หนึ่งถึงอนุโลมถึงโคตรปูด้วยก็ดีนี่นะจิตเป็นมหากุสัญญาณน ส, สัมปยุตธสี่ถามว่าเป็นมหากุสัญญาณนวิปยุทธบ้างได้ไหมตอบว่าอย่าว่าแต่เป็นมหากุสน ญ, ญาณนวิปยุทธเลยแม้แต่เป็นกิเลสก็ยังได้ อใจที่พูดไหมผมถามว่าขณะที่ท่านทําวิปัสนาแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวั น, วนเอาเป็นว่าวันที่ได้อารมณ์ดีๆหรือเข้าสู่ช่วงที่ได้อารมณ์ดีๆเนี่ยกุศลจิตญาณสัมปยุทธ์ท่านเกิดตลอดหรือทุกขณะจิตหรือไม่ญาณวิปยุทธ์ก็มีกําหนดอย่างกําหนดอารมณ์ของวิปัสนานั้นอยู่นั่นแหละแต่ปัญญาไม่ได้เกิดนะครับ เป็นแต่กุศลเป็นแต่ศรัทธาเป็นแต่วิริยะเท่านั้นไม่มีปัญญาประกอบทั้งที่จับรูปจับนามได้เนี่ยกั น, นีหนึ่งที่ว่ายิ่งกว่านั้นก็คือว่าทำวิปัสสนาอยู่นั่นแหละอารมณ์เป็นของวิปัสสนาแต่ตัวกำหนดเป็นกิเลสตัณหามาณาที่สีเป็นนิวรณ์เป็นไปได้ไหมได้ไม่มีใครรู้ครับ เรารู้ด้วยตัวของเราเองถามว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นแล้วก็การเห็นอย่างนี้มันก็ไม่ใช่วิปัสนาไม่ใช่เป็นเรื่องวิัสนาต่ว่าเป็นเรื่องของวิปัสนาแต่เนื่องจากว่ากำลังของวิปัสนาเนี่ยมันยังไม่ได้ฆ่ากิเลสหมดความคุ้นเคยอันนี้จึงเป็นช่องทางให้กุศลที่ไม่มีปัญญาเข้ามาร่วมกาหนดอารมณ์นั้นด้วยก็ได้ และกิเลสอาศัยความคุ้นเคยเข้ามาฉวยโอกาสกําหนดทําทีว่าเหมือนเหมือนกับตัวเองเป็นวิปัสสนาญาณอย่างงีอย่าง น, น, างนี้แต่เป็นกิเลสฮนะนั้นไอ้กิเลสอย่างนี้นะ่ะมันไม่ได้มาได้เองมีได้โดยตัวมันเองมันสะกดรอยตามมหากุศัญญาณสำยุตมาไ อ, ไอ้หลักตรงนี้ดึงเป็นภาระดีนั่นว่า ผู้ปฏิบัติกรรมาฐานถ้ายังเป็นโลกีย า, ยานอยู่เนี่ยต้องระวังกิเลสไปจนถึงจุดจบสุดท้ายสูงสุดเลยไม่งั้นมันจะพลิกผันหน้าตาเปลี่ยนหน้าตามาเป็นอย่างงู้อย่างนี้และถ้าเราเกิดไปตันเข้าจุดใดจุดหนึ่งไอ้ที่ตันก็เพราะกิเลสทําให้ตันเราก็นึกว่าเราจบแล้ว หรือนึกว่ามันเป็นกุศลไปทั้งหมดเป็นปัญญาไปทั้งหมดความน่ากลัวของการปฏิบัติทางจิตในะอยู่ตรงนี้เพราะขั้นสูงนี่กิเลสมันละเอียดจนเรียกว่าดูไม่ออกเลยว่าเป็นกิเลสแล้วรับรองได้ว่าบางทีใหม่ๆเนี่ยเราเข้าใจมาว่าเป็นกุศลไปเสียหมดนะแท้ที่จริงแล้วมันเป็นกิเลสเรามารู้ภายหลังอ๋อนี่เป็นกิเลสถ้าเราหยุด หรือสำคัญว่าเป็นแก่นเราก็จะไปนึกหมายเอากับพี่ว่าเป็นแก่นซึ่งเป็นความผิดพลาดของการปฏิบัติทางจิตไม่ใช่เรื่องจบง่ายๆตัวปรุงตัวแปลตัวผสมโรงเข้ามากับการอันสูงสุดด้วยกิเลสอันละเอียดอย่างนี้มีกับทุกคนแล้วก็มีกับทุกๆระดับจนกว่าจะบรรลุโลกุตตละจึงฝากกันไว้ให้ระวังตรงนี้ ท่นอย่าไปนึกว่ามีเฉพาะแค่อุทยาพยายามขั้นอ่อนแล้วก็มีวิปัสนูปิเลสไอ้วิปัสณูปิเลตนะท่านพูดถึงกีเลตพิเศษในหัวเลี้ยวหัวต่ออันหนึ่งเท่านั้นไม่ได้หมายก็ว่าถัดจากนั้นแล้วไม่มีกีเลตอะไรเออเลยมีกีเลตอื่นที่ละเอียดกว่าวิปัสณูปิเลสแต่ไม่มีอาการเป็นพิเศษอย่างที่ปรากฏในยานที่สี่นะ นี่คือความเป็นโลกิยะวิปัสนาการนี้ก็มาดูวิสุทธิเจ็ดวิสุทธิเจ็ดคือความหมดจดเจ็ดขั้นเมื่อเปรียบกับวิปัสสนาญาณสิบหกก็ได้ความอย่างนี้ศีลละวิสุทธิเป็นของนอกภาวนาขณะคือเราต้องมีมาก่อนได้มาก่อนนะไอจะก่อน ใกล้ไกลแค่ไหนกรอนหลันหลัดยังไงก็ต้องต้องมีก่อนแล้วก็มีแล้วก็ต้องรักษาไว้แล้วก็ขยายความเป็นศีลนั้นให้ครบสี่นะลีเลวศีลวิสุทธิเอาดูรายละเอียดลเลยก็ได้นะเราก็จะเห็นว่าท่านรอบขอบมากรอบคอบซะจนกระทั่งบางทีเราจะนึกไม่เห็นความสำคัญของศีลวิสุทธิในบางอย่าง ในความเข้าใจชั้นต้นๆก็ได้สีรวิสุทธิ่ดูในหัวข้อที่เรียกว่าสีละมยยกุศลหน้าสามสีละมยยกุศลบุญที่สำเร็จด้วยการาารักษาศีลที่มีฐานะเป็นอาธิศีลได้แก่ศีลสีสปาฏิโมกข์สังวรศีลนี่เป็นศีลพื้นฐาน ศีลประจำตัวเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นอย่างเราเป็นผู้ครองเรือนก็มีศีลห้าศีลแปดปลาก็ศีลสองรอยี่สิบเจ็ดที่สำเร็จด้วยศรัทธาศรัทธาในศีลศรัทธาในอนิสงศีลโดยอาศัยบุคคลอื่นมาเป็นแบบอย่างให้เห็นบ้าง หลักการมาอธิบายให้เข้าใจบ้างเราก็ศรัทธาจนถึงอยากรักษาศีล207ก็คืออยากบวชไม่บวชก็เป็นศีลอื่นเพราะนั้นปาฏิโมกข์สังวรศีลเนี่ยจึงหมายถึงศีลประจําตัวศีลที่ทําให้คนนั้นมีความมีคุณสม บ, บัติเบื้องต้นแห่งความเป็นพระโยคียิ่งมากข้อยิ่งดี สีงข้อส่วนที่สองมันไม่ใช่ข้อนะนี่คือเป็นส่วนๆเป็นปแผนกๆไปอินทรียสังวรศีนศีนคือความรักษาอินทรีย์ด้วยสติคือการควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อได้ปะทะกับอารมณ์ที่เข้ามาทางถาวร ท, ท, ทั้งหกหรืออินทรีย์ทั้งหกนั้นสติเป็นตัว ควบคุมเป็นตัวรักษานั่นก็ศีลตรงนี้เป็นหข้ อ, เ, อเราจะเห็นว่าศีลระหว่างเรากับพระระหว่างโยมชายกับโยมหญิงระหว่างเนกนกับพระกับโยมก็ดีต่างเฉพาะศีลข้อตนปฏดโมกส่วนศีลข้อที่เหลือจากนั้นอินทรีสังวรศีลต้องเหมือน ต้องเหมือนน ะ, ะส่วนอาชีวะปริสุทธิ์ศีลของพระอาจจะอย่างหนึ่งของโยมอาจจะอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าในขณะปฏิบัติแล้วก็ก็เกือบจะเรียกได้ว่าเหมือนกันแหละน ะ, ะอย่างเดี๋ยวนี้พูดถึงอย่างเดี๋ยวนี้เวลาหลีกเล่นแต่ถ้าพูดถึงอย่างพระสมัยพระพุทธกาลก็ ออกปินธาบาตอะไรอะไม่มีสํานักอย่างเดี๋ยวนี้และโยมผู้ปฏิบัติทำตอนปฏิบัติก็ก็ไม่ได้ถึงกับมาอยู่สํานักอย่างเดี๋ยวนี้นันี้ก็เป็นมีความแตกต่างกันได้สําหรับข้อนี้สําหรับปัจจยะสันนิสิตาสีน์ข้อนี้นะ่ะทั้งโยมทั้งพระต้องเหมือนกัน เพราะว่าในขณะปฏิบัตนะิเวลาเสพปัจใจเนี่ยท่านบอกว่าเป็นสองสองช่วงก า, าาการได้มาการได้มานี่อันหนึ่งนะต้องพิจารณาแล้วก็การบริโภคใช้สอยเป็นอี ก, อ, กอีกช่วงขณะบริโภคใช้สอยจะต้องพิจารณาด้วยปัญญาข้อพิจารณามีมากมายาหลับตรงนี้ แต่ถ้าเป็นบรรยากาศอย่างใกล้ๆวิปัสสนาก็คือบริโภคเพื่อเป็นประโยชน์แก่ความเจริญในธรรมไม่ใช่บริโภคเพื่อเป็นประโยชน์แก่กิเลสตัณหาอย่างที่เราพูดพูดกันนั่นแหละนี่คือศีลสี่ส่วนที่เกื้อกูลแก่ความเจริญในวิปัสสนาทีนี้ถ้าเราดูทั้งสี่ส่วนเนี่ย ศีลทั้งหมดนี้อาจมีมาก่อนลงมือทาวิปัสนาทั้งสี่เลยก็ได้แล้วก็ในขณะที่ทำวิปัสนาทั้งสี่นี้ก็ยังอยู่แต่ว่าที่จะอนุเคราะห์เกื้อกูลอย่างใกล้ชิดที่สุดคืออินทรีสังวรศีลอินทรีสังวรศี น, นี่ในระดับของขณะลงมือกระทาแล้วจึงถือว่าเป็นศีลที่มีคุณสมบัติที่เป็นทั้งวิปัสนา และเป็นทั้งเพราะว่าตาหูจมูกนี่เปิดตลอดเวลาการบริโภคปัจจัยก็การได้ปัจจัยการบริโภคปัจจัยเป็นไปการไปตามการบังคับอ่นนี้ก็เป็นเรื่องของศีลวิสุท ธ, ธิจิตตาวิสุท ธ, ธิคือสมาธิจิตตรงนี้นะแต่ละวิธีแตกต่างกันแต่ที่แน่แน่ ของสาระของวิสุทธิเจ็ดข้อต้นเนี่ยถามว่าศีลมีไว้ทาไมจิตวิสุทธิมีไว้ทาไมก็ตอบอย่างเดียวก็ทำวิปัสสนาเพื่ออะไรที่เป็นสาระสำคัญเฉพาะหน้าจริงๆทำไมก็ทำวิปัสสนาเพื่ออะไรที่เป็นสาระเฉพาะหน้าเพื่อละากิเลสใช่มหมยจะเรีย ก, กว่าควบคุมจะเรีย ก, กว่าสังวรจะเรีย ก, กว่ากัดกราวหมายถึงละกิเลสเทนั้นแหละ ศีลนั้นเป็นตัวล่ากิเลสในส่วนเบื้องตน้ตนเป็นข้อจำกัดกิเลสในส่วนชัน้ตนต้นๆก่อนจิตตวิสุธทธิก็ในส่วนสูงขึ้นมาถึงเป็นเพ่งถึงส่วนภายในความรู้สึกเป็นสำคัญวิปัสสนาก็เป็นส่วนที่ควบคุมกิเลสชั้นละเอียดลงไปอีก นี่คือสาระของวิสุทธิทั้งเจ็ดที่เป็นไปโดยลำดับอย่างนี้อันนี้ที่ผมว่าแต่ละสำนักไม่เหมือนกันเนี่ยบางสำนักเ ก, ก็สอนให้ให้ทำสมาธิก่อนเลยเป็นแผนกหนึ่งเลยบางสำนักก็ ให้ทำสมาธิเป็นวิปัสนาไปเลยบางสำนักก็ให้ทำวิปัสนาและให้ได้สมาธิแต่พอจะเป็นประโยชน์แก่วิปัสนาตามแบบที่ได้ทำในแบบนั้นนั้นและเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดสัตว์บางคนก็ไม่ต้องไปพูดถึงศีลเลย เพราะเขามีอยู่แล้วไม่ต้องไปพูดถึงจิตเลยเพราะเขามีอยู่แล้วพูดถึงวิปัสนาเลยบางคนก็ต้องค่อยๆไล่เลียงมาแล้วบางคนเนี่ยศีลมองว่าบางคนเนี่ยถ้าให้แค่รักษาศีลแปดศีลสิ 8, 10, บบรรล้ไม่ได้ต้องควบคุมกิเลสให้เข้มข้นกว่านี้ต้องให้บวชต้องให้บวช จึงจะได้จิตได้จึงจะได้วิปัสสนาได้พวกนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่โปรดในเพลิกเลยะต้องให้บวชก่อนนะเพราะว่าศีลของพระแต่ละข้อเนี่ยเราดูรายละเอียดก็จะเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการควบคุมกิเลสนะอันนี้วิสุท ธ, ธิข้อมาดูวิสุท ธ, ธิข้อสามอะ ท, ที่วิสุท ธ, ธิเนื่องจากว่าการกำหนดเห็นนามรูป ว่าเป็นแต่นามแต่รูปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เนี่ยเป็นการละทิฐิในขั้นกลางในขั้นกลางหมายถึงสําคัญว่ามีตัวตนคนสัตว์ทิฐิขั้นต้นคือความเชื่อเรื่องกรรมเรื่องการเวียวในว่ายแต่เกิดเนี่ยถือเป็นทิฏฐิเบื้องต้นที่คุ้มครองประโยชน์ในทางสุขติสุขติพบได้สุขติสมบัติ แต่ถ้าหากว่าคนยังไม่ได้ทิฏฐิขั้นกลางก็จะไม่ได้ประโยชน์คือวิปัสนาญาณถือว่าเป็นประโยชน์ในขั้นกลางกังขาวิจารณาวิสุทธิก็เป็นเรื่องของความเข้าใจสภาพของสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นชัดขึ้นเองมัคคามัคคะเลือกแปลตามศัพท์ว่ารู้ทางและไม่ใช่ทาง ก็วควรจะทําอย่างนี้เป็นเรื่องของการการคือพูดง่ายๆก็คือวิธีกําหนดอ่ะวิธีกําหนดวิปัสนาตรงจุดนี้ว่าจะกําหนดอย่างไรไปทางไหนต้องกีดกันอะไรออกก็คือกิเลสอ่ะกิเลสทางใดที่กิเลสเข้ามาสวมรอยได้ทางนั้นไม่เป็นทางทางใดที่กิเลสไม่ เข้ามาสวมรอยได้ทางนั้นเป็นทางนั้นมัคคามัคคะเนี่ยเวลาจัดท่านจึงจัดสัมมาสนญาณค า, าบเกี่ยวไปถึงยานที่สี่ขั้นต้นตั้งแต่ยานสี่ขั้นกล้าไปจนถึงมักคยาณเรียกว่าปฏิปทายานทศนาัศนวิสุทธิ คือความเห็นด้วยญาณซึ่งปฏิปทาจะเอาหมายความว่าจับจุดของการปฏิบัติไปได้โดยลําดับแล้วแต่ไม่แล้วไม่มีอุปสรรคก็มีอุปสรรคแต่อุปสรรคที่วานไม่ใช่อุปสรรคใหญ่ถึงกจะทําให้ออกไปทางนั้นแล้วก็ไปนอกลู่นอกทางไปเลยแต่อุปสรรคเนี่ยมันยังอยู่ในลู่ในทาง ผลไยานและสงเคราะห์ปัจจเวขณะญาณเข้าไปด้วยเรียกว่ายานนัทธสนาวิสุธทธิการเห็นทมด้วยญาณอย่างถึงจุดสมบูรณ์คือผลยานปัจจเวกนะเวลาสงเคราะห์ท่านไม่เอาเป็นนัยยะตรงนะถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่สำเร็จแล้วก็ไม่ต้องพูดกัน แต่ในนี้เมื่อเราพูดถึงยานสิหกเราก็อนุโลมเข้าเป็นส่วนของยานทัศนวิสุทธิไปนี่เป็นวิสุทธิเจ็ดที่ส่งเคราะห์ไปตามยานอย่างนี้เราพลิกมาดูบางประเด็นที่จะอธิบายขยายความในหัวข้อว่าตรัยสิกขาหน้าสองกับในหัวข้อที่ เรียกว่าไตรสิขาเนี่ยแล้วก็แสดงให้เห็นว่าศีลอันเป็นอาธิอาธิพรมจรรย์เป็นเบื้องต้นของพรมจรรย์อันหนึ่งที่ที่ผมได้อธิบายมาแล้วว่าเรารักษาศีลไว้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นนั่นเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ศีละขันอันเป็นองค์แห่งอริยมรรย์สามในแปด สามในแปดนะ่ยเพราะว่ามีอสัมมาวาจาสัมมากามัิตาสัมมาจีวสาสัมมาวาจาสัมมากามิตาสัมมาจีวาสามอย่างนะนี่เป็นศีลที่เป็นองค์ของอริยมรรคเป็นศีลจัดได้ว่าอาธิศีและศีขาขั้นประสบความสําเร็จที่เป็นอาธิพรหมจรรย์นั้นเป็นขั้นเป้าหมายที่เป็นไปในทางสูง ในทางที่เหมาะสมก็เรียกว่าเป็นอธิศีลในส่วนของความหมายนั้นนี่เรามาดูอธิจิตสิกขาความปฏิบัติจิตอย่างยิ่งที่เป็นวิปัสนาปาทกะอันหนึ่งแล้วก็เป็นองค์อริยมรรคอีกส่วนหนึ่งที่เป็นวิปัสนาปาทกะคืออุปจารสมาธิ อันปนาสมาธิอันเป็นวิปัสนาปาตกาที่เขียนไว้นี่นะอันนี้ได้อธิบายแล้วอธิบายอย่างท่านกล่าวอย่างอธิจิตขั้นสูงขั้นสมบูรณ์ที่ควรจะทําควรจะเป็นเพราะว่าคนที่ได้ฌานก่อนเนี่ยนะถ้าใช้ฌานเป็นเกื้อกูลวิปัสนามากกว่าคนไม่ได้ฌานเหมือนกับที่เราพูดว่าคนเรียนวิปัสนาภูมิภาคอริยัติแล้วเนี่ยถ้าใช้ความรู้นั้นเป็นนะ เกื้อกูลมากและพระพุทธเจ้าท่านพูดไวในที่ท่านหลายก็จะพูดอย่างเกื้อกูลมากเกื้อกูลท่านท่านถึงพูดรับรองไว้เป็นเรื่องสำคัญสำคัญสำคัญทีนี้ที่เรารู้สึกว่ามันมีปัญหาเนี่ยว่าเรียนวิปัสสนาภูมิแล้วทำให้คนบางคนมันมีลักษณะเกียกะเกก ะ, กกะสมาทานกรรมฐ า, านไม่ได้ดีเนยะเพราะว่าไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่เป็นได้แต่ชอบได้แต่้าใจแล้วไม่เอามาเป็นบาตร เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ผลหรือว่าลงมือปฏิบัติแต่ใจมันยังไม่ยอมยังไปฝืนๆทานการมั น, นของขวา ง, วางมันก็ขวางตัวเองก็ไม่ได้ประโยชน์ที่ถ้าใช้เป็นเนี่ยก็คือเราก็ปลารบอย่างที่คนใช้เป็นจะพึงใช้ว่าถึงเมื่อไหร่เราควรจะวางใจยังไงทําใจยังไงอย่างนี้เรียกว่าใช้เป็นแล้วก็ที่จะเลือกพิจารณาควรจะไปที่ไหนยังไงเนี่ย ถ้าเอาปริยัติมาเป็นเครื่องพิจารณาแล้วก็จะเป็นที่ปรึกษาได้อย่างดีชาญก็เหมือนกันครับคนได้ชาญในความจริงได้เครื่องมืออนันประเสริฐอย่างยากยิ่งที่บุคคลทั่วไปจะพึงได้แต่ถ้าใช้ไม่เป็นแล้วก็บางทีก็ไม่ใช้ไม่ใช้ก็คือได้ชาญแล้วก็นึกเป็นมรคนผลอะไรไปอย่างนั้นอย่างในสมัยพุทยาการนะหรือว่าได้ชาญแล้วไปทําฤทธิ์ก็สําคัญฤทธิ์เป็นอย่างงูอย่างงี้ ก็ไม่ทำวิปัสนามันมีมาณาทิฏฐิกับพุทธเจ้าออไปก็มีอย่างพวกชรินสามพี่น้องในตอนแรกเป็นต้นมันก็เลยกลายเป็นเครื่องขวางหรือว่าถ้าสมมติมว่าเรารู้ว่สมาธิอันนี้วิปัสนาอันนี้เรามาทำแล้วพอมาทำทาวิปัสนาแล้วมันเกิดความรู้สึกวิปัสสนามเหน็ดเหนื่อยทำสมาธิเนี่ยมันสบายดี ก็เลยพอหับตาแล้วก็ปล่อยจิตให้เป็นสมาธิไม่ทำวิปัสนาไม่ใช้เอาเป็นเ อ, เอาสมาธิเป็นเป้าหมายไปเสียอย่างนี้ก็เรียกว่าใช้ไม่เป็นใช่ไหมมันก็เลยทำทั้งหลายทั้งหลามันก็นิ่งอยู่งันแล้วก็เลยกลายเป็นเครื่องขวางวิปัสนาไปคือไอ้ผิดอย่างนี้นั้นไม่ใช่ผิดโดยหลักการจะเรียกว่าผิดโดยบุคคลนะโดยหลักการแล้วก็ถือว่ามันเกื้อกูล แต่ผิดโดยบุคคลก็เหมือนกับปัจจัยสี่ที่เราได้เสพในระหว่างของการกระทำวิปัสนาเนี่ยปัจจัยสี่หรือผลสําเร็จใดๆที่เราพึงได้ระหว่างนั้นมันก็เป็นผลปล่อยได้ถ้าเราไปถือเอาเป็นจุดหมายปลายทางแล้วมันก็เลยจะขวางวัตถุประสงค์ที่เราควรจะก้าวขึ้นไปให้สูงยิ่งขึ้น นั่นคความเสียไม่อยู่ตรงนี้ทีนี้เรามามองให้ชัดเลยนะว่าถ้าคนจิตเป็นสมาธิคือได้ฌานเป็นบาศเนีน่ยผมจะบอกว่าเป็นบาศสองแบบในกี้ผมพูดไว้ไว้แบบอารมณ์แล้วก็ไม่ได้พูดไอ้อันหนึ่งเข้าไปด้วยแต่เคยพูดในที่นี้แล้ววสองแบบแบบหนึ่งคือเข้าฌานออกจากฌานดูฌานเป็นอารมณ์อย่างนี้เขาเรียกว่า ฌานเป็นบาทโดยมาเป็นบทเรียนให้ดูคุณสับัติที่ตัวได้เป็นบทเรียนเอาความรู้อีกอันหนึ่งแทนที่จะเห็นฌานเป็นตัวเป็นตนก็เห็นเป็นพรไตรลักเสยนี่กรณีหนึ่งที่เขาเรียกว่าเข้าฌานเป็นบาออกฌานแล้วดูฌานไม่ดูอื่นอีกกรณีหนึ่งก็คือเข้าฌานแล้วเนี่ยฌานมันขมฤเลี ความจริงคนเข้าฌานเนี่ยจะถอยออกจากฌานแล้วมาดูฌานหรือไม่ดูฌานฌานมันข่มกิเลสให้เป็นประโยชน์แก่ความสะดวกในการทำวิปัสสนาทั้งสองแหละในตรงนี้นะว่าไอ้กิเลสบางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่มีฌานเป็นตัวสกัดให้เนี่ยเราต้องไปต่อสู้จริงมะยกตัวอย่างอย่างหยับหยาที่สุดเนี่ยว่าเรา ไปอยู่ถ้ำทำกรรมาฐานสักเดือนถ้าเราไม่มีชาถ้าคนเราคนได้ฌานเนี่ยนะยไม่ใช่มาคิดห่วงนะครับว่าอยากไปเที่ยวโน้นอยากไปเที่ยว น, น, ยกกยวนี่ไม่ชอบป่าเลยไม่ชอบถ้ำเลยไม่คิดห่วงอย่างนี้เพราะอะไรถึงไม่ห่วงไม่ห่วงโดยยังไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าฌานวิสัยฌานเนี่ยมันขม่มมันล่ไอความอยากอย่างนี้ไปได้หรือความหมงุดหงิด เช่นว่านั่งกรรมฐานแล้วยุงกัดหงุดหงิดเดินมากหงุดหงิดครูอาจารย์สอนไม่เป็นที่สบใจหงุดหงิดคนได้ฌานไม่มีเพราะอะไรเพราะคนได้ฌานข่มโทสะได้ข่มตัณหาชัน้นหยาบที่เป็นกามตัณหาได้ข่มอ่าเรียกพูดง่ายว่าในสติปัฏฐานที่บอกว่าวินัยยะโลเกวิชาโทนัทสังสองอย่างเนี่ย ถ้าเราไม่ได้ชานี่เราแบกไว้เต็มเลยครับแบกเข้าห้องกรรมฐานเต็มเต็มอัตราเลยนะแต่ถ้าได้ชานแล้วชานชำละลดปลดปล่อยไปได้ทั้งมากมายถึงจะคิดหรือไม่คิดถึงจะเข้าใจตรงนี้ไม่เข้าใจตรงนี้มาก่อนก็ได้แลวนี่คือประโยชน์อย่างยิ่งของของ อาธิจิตที่เกื้อกูลแก่ผู้ได้ฌานนั้นไอ้เรื่องอันตรายของมันเป็นเรื่องการบริหารต่อไม่เป็นหรือเรื่องของความที่ไม่ทําต่อให้ดีมันไม่ใช่เรื่องความผิดของเครื่องอํานวยความสะดวกคือฌานนี้เพราะฉะนั้นท่านน้อบอกว่าคนที่ได้ฌานในเวลาปฏิบัติแล้วเป็น ไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าสุขข่าววิปัสสกาทําอย่างแห้งแรงอนะทําแล้วมันมันลื่นลมแต่บางคนก็บอกว่าเป็นทางอ้อมแต่ผมก็เถียงเข้าไปเถียงคือเถียงไม่ได้แปลว่าเถียง ห, งหน้าดําหน้าแดงแต่ก็บอกเขาไปว่าถ้าไอ้ทางอ้อมมันก็เหมือนมันก็ดีกับทางตรงก็ถ้าทางตรงขู่ขาทางอ้อมก็ดีกว่าใช่ไหมฮะยิ่งสมัยนี้เราก็เห็นชัด ทางอ้อมดีกว่าทางตรงเพราะอะไรอ้อมแล้วมันสะดวกอ้อมก็เหมือนตรงค่าน้ํามันก็เสียน้อยกว่าเวลาก็เสียน้อยกว่าอะไรหลายอย่างก็ก็เสียน้อยกว่านะฮะแล้วอันนี้คือว่าอ้อมไอ้ที่เขาบอกว่าอ้อมเนี่ยเพราะว่าต้องไปเสียเวลาทาําฌานอันนี้ก็พูดได้กับบางคนเหรอบางคนเนี่ยไปทําแต่ละอย่างมันเสียเวลาแล้วทำไมไม่บ่นว่าเสียเวลาทําศีลล่ะไปก็เสียเวลาแต่นั้น นะไอ้บางอย่างเนี่ยมันยอมไม่ให้ไม่ทําก็ยอมได้ในทางหลักการบางอย่างไม่ได้แต่ถ้าว่าใครทําจะได้เยอะเท่าไหร่สมบูรณ์เท่าไหร่มันก็ดีเท่านะั้นก็ก็กลายเป็นเรื่องที่บางคนก็ไม่เห็นเป็นเรื่องอยากอะไรทําปุ๊บปั๊บก็ได้ไม่ต้องอ้อมอะไรถ้าไม่ทํำซะก่อนทีกลายเป็นเรื่องอยากคือไม่มีเครื่องมือนี่ใช้ใช้คําพูดเปรียบเหมือนกระทามันก็มีอ้อมมีกลงแต่ถ้าพูดเทียบเหมือนกับเครื่องมือเนี่ย มันต้องแบบพูดอีกแบบแล้วมีเครื่องมือมากขึ้นใช่ไหมฮะมีเครื่องมือเราจะทําอะไรทุกอย่างมีเครื่องมือบริบูรณ์เนี่ยมันทําได้ทันทีอเดี๋ยวก็บอกมีเครื่องมือเยอะแบกหนักอีกเกียง <g ill ain> ไวโนูดีก็อูดไปงานก็นได้แต่ในแง่ของอความเกื้อกูลมองในแง่นี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นเครื่องขัดกว่อนนะ ก็ไอ้เรื่องข้อเครือวข้องตรงนี้พูดไปพูดมาก็มีไอ้เกี่ยวข้อเกี่ยวข้องแล้วก็ต้องแก้กันไปเยอะนะต้องทาความเข้าใจไปเยอะเราอ่านศึกษาเรื่องพวกนี้ไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปสนทนากับใครแล้วก็ เ, กเถียงกับตัวเองเถียงกับตําราแล้วก็หาหลักการหาเหตุผลทางตำราเถียงให้เป็นประโยชน์กับความคิดของเราเองแล้วก็ชั่งน้ําหนักดูว่ามันจะไปทางไหน แต่ทั้งหมดเนี่ยคือความเป็นไปได้ใยกันจะพูดว่าอย่างไรที่ว่ามานี้เป็นอันว่าอธิจิตที่ที่ผมอธิบายมาเยอะเนี่ยเกื้อกูลในด้านของการปัดป้องกิเลสในหะ้กิเลสที่ศีลคุ้มครองไม่ได้ดูแลไม่ได้นะเราถึงได้รับความสะดวกนี่ข้อหนึ่งแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะนี่เป็นพุทธพจน์นะในที่เยอะแยะเลย ว่าไอสมาธิเนี่ยเกื้อกูลแก่ปัญญาจริงๆอะ่ะอ่านพุทธพจน์ลงที่ว่ากันเป็นแถบๆพระโตร์จะเป็นหลายๆโสดงี้เลยนะเขียนออกความผู้หลีกเล่นย่อมเกิดย่อมได้ปัญญาเกิดปัญญาได้ง่ายผู้มีจิตตั้งมั่นย่อมเกิดปัญญาได้ปัญญาได้ง่ายอะไรเงี้ยมีพุทธพจน์จริงๆ นี่เราก็มามองว่าไอ้ความนิ่งเนี่ยมันช่วยปัญญาเราในขั้นฟังก็ได้ก็เห็นนะถ้าเราจะให้เห็นชัดก็คือว่าถ้าเรานิ่งอย่างธรรมดาก็อย่างถ้าคนออกจากสมาธิแล้วมาฟังเนี่ยใสยแจ๋วเลยจริงไม่จริงถ้าคนเคยทําสมาธิเคยใช้สมาธิเนี่นยใสแจ๋วแล้วก็คนที่ เข้าสมาธิแล้วคิดใสแจว๋วเข้าก่อนแล้วคิดมันเราก็ใช้หลายแบบบางทีก็เข้าไปคิดไปเพราะสมาธิมันพอเป็นอยู่แล้วเข้าไปคิดไปดีก็เข้าซะก่อนแล้วก็ถึงจุดอิ่มเนี่ยคือเราจะรู้ถ้าทำบ่อยๆเรีว่าทีนนี้เราเข้าถึงจุดพอสมควรแล้วมันมีวิธีรู้หลายแบบถึงจุดอิ่มแล้วเราก็คิดนะ คำว่าหลายแบบในบานทีเราในเหนื่อยมานะอย่างเองกสารชุดเนี้ผมเขียนตอนเที่ยงคืนถึงตีสามที่แจกันเนี่ยถึงตีสามครึ่งแล้วก็เขียนเสร็จแล้วเราก็นอนนอนตื่นโมงครึ่งกลางวันเราไปทำอะไรมาไม่ต้องเล่าทีตอนจะนอนเนี่ยเราก็เรียกว่าําละตัวนี่ไม่ไม่ใช่คิดนะ ไอ้ก่อนคิดก็ว่ามาอย่างเราก็เวลาทำเนี่ยเราจะรู้ว่าเราทาถึงจุดใช้ได้ก็คือเราทำแล้วสำรวจร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยถ้ารู้สึกว่าสมองมันหนักมันมึนเราก็ทำไปจนระทั้งตรงนี้มันกลายแล้วก็ดูที่อื่นเนี่ยมันมันมีอะไรเป็นจุดบอดจุดกระจุก จุดขัดข้องอยู่ตรงไหนถ้ายังเหลือแปลว่ายังไม่ถึงจุดใจได้ถ้าเราเอาไกระแสจิตเนี่ยเข้าไปละลายเข้าไปชําระเข้าไปปลื้มจนกระทั่งหมดแล้วเราพอลืมตาเนี่ยมึนไม่มีเครส์เครียดตึงไม่มีหมดอย่างนี้เรียกว่าถึงจุดถึงจุดที่เรียกว่าใช้ได้พอแก่ประโยชน์ที่เราต้องการในขณะนั้น และคนที่เขาทําวิปัสนาเนี่ยอันนี้ก็ประสบการณ์อาจจะใกล้ยๆกันแหละก็าพอเราทําจิตดิ่งลงไปเนี่ยนะมันก็จะมีจุดจุดที่เรารู้สึกว่าดิ่งถึงตรงนี้อย่างใช้ไม่ได้ยังใช้หมายถึงยังกําหนดอารมณ์นั้นไม่เห็นจับอารมณ์ละเอียดอย่างนั้นไม่ได้อย่างที่เราเคยได้เราเอาเกณฑ์แค่นั้นก่อนนะพอเราทําทําไปถึงจุดนั้นพับมันก็ได้ ได้ยกตัวอย่างเช่นว่าเราจะฟังเสียงคนพูดไกลๆและให้ได้ยินอยู่ที่หูเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตะแคงหูฟังแล้วได้ทันทีหรือหลับตาไะเดี๋ยวเดียวแล้วได้ทันทีอย่างนี้นะเราก็รู้ว่าต้องกําหนดจิตลงไปถึงจุดหนึ่งซึ่งเรารู้ของเราแล้วก็ได้ยินสักแต่ว่าได้ยินที่หูเนี่ยมันที่หูเนี่ยมันสะท้านไปทั้งหูและเสียงก็อยู่ที่หู แล้วก็มันเหมือนกับไอ้ไอเครื่องเสียงเดนี่เขามีสองลำโพงเนี่ ย, ย, ย, ยบิดมาทางนี้เสียงเอียงเอียนไปทางลําโพงนู้นบิดมาทางนี้เสียงมาทางลําโพงนี้เราก็กําหนดเอาจิตไปกําหนดได้ยินที่หูข้างไหนให้มันหนักให้มันไปอยู่ทางหูนั้นได้ทีนี้ไอ้สิ่งเหล่าเนี้ยเราก็เรียนทฤษฎีมาเราก็ไม่เคยนึกว่ามันจะ เป็นอย่างนั้นได้จริงๆนะพอเราฝึกแล้วก็ได้แล้วมันมันก็เป็นเสียงจริงๆเราไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาเลยนะและที่ว่ามันเป็นประโยชน์เนี่ยก็คือถ้าเราเอาไอ้ความสามารถทางนี้มากําหนดให้เห็นเป็นเสียงศักดิ์แต่ว่าเสียงได้ยินศักด์แต่ว่าได้ยินและไม่เที่ยง มันมากระทบหูปั๊บเนี่ยกระเทือนใบหูก็กระเทือนแก้วหูก็กระเทือนนี้นะดูมาถึงอีกข้างก็กระเทือนหนึ่งหูข้างนี้เราก็รู้สึกแล้วก็เสียงมันเกิดมันดับอย่างที่เราจะกําหนดรู้ได้ในส่วนห ย, ยาบๆขั้นนั้นเข้ากําหนดอย่างนี้มันจับได้อย่างมั่นเหมาะกาหนดได้อย่างมั่นเหมาะ อย่างชัดเจนเลยซึ่งจะผิดกับการที่เราพยายามจะฝืนกําหนดอย่างอย่างธรรมดามันก็ได้แต่ไอ้ไอ้ส่วนแห่งความคิดหยาบๆซึ่งออกค่อยๆออกไปเป็นรูปความคิดและทฤษฎีมากหน่อยอย่างเงี้ยบอกได้ยินัพทแต่ว่าได้ยินแล้วก็สํารวมกิดไว้ที่นี่ไม่ขยายความไม่ปรุงแต่งมันก็ได้อย่างที่เราเราฝึกกันมาต้นๆได้อย่างนี้แต่ว่าถ้าจะให้เห็นอย่างนี้ต้องอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นไอ มันถึงเหมือนแสงสว่างนะทําให้การที่จะซอกแซกเข้าไปกําหนดรู้อะไรอะไรเนี่ยมันได้มานี่คือเอามาใช้เป็นประโยชน์นี่ถ้าไปเอาไปใช้ให้ไม่เป็นประโยชน์ได้เหมือนกันใช่ไหมละ่ะเอาไปใช้ให้ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยได้สารพัดเลยถ้าคนทําไปเยอะๆอย่างเนี้ยถ้าเกิดปาปิดฉาหรือความปรารถนาลามกเนี่ย เสียหายเลยครับเสียคนเลยคือตัวเองเสียก่อ น, น, นเนี่ยความเจริญในธรรมต่างๆอยู่กับที่หรือสดถอยทันทีอันนี้ก็ก็ต้องเลือกเอาพิจารณา ว, ว่าจะเดินไปในทางไหนแต่ที่แน่ๆเ น, นี่ยคือเกือกูลและพูดให้อย่างชนิดที่เรียวมันเสมอภาคกันหมด กุศลธรรมทุกตัวองค์มรรคทุกข้อโพธิปักทุกอย่างในขณะที่เราทำมระดานมันมีทังนั้นแหละแต่มันมีอย่างไม่บริบูรณ์มันเกื้อกูลทั้งนั้นและเราก็สงสัยว่าเอาอย่างงั้นทาไมพระเจ้าไม่พูดได้หมดแล้วมันเกื้อกูลและทำได้หมดไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับปฏิบัติคือผู้รับปฏิบัติไม่สามารถสมาทานรับปฏิบัติได้เต็มที่ท่านจึงใช้ตัวหัวหน้า นะฮะตัวหัวหน้าวาะกุศลธรรมในส่วนศีลเป็นหัวหน้าในในส่วนหนึ่งเพื่อละกิเลสกุศลธรรมคือเอกกตาเจตสิก at เพื่อประโยชน์แก่การลากิเลสในส่วนหนึ่งนี่เอาเป็นตัวนะเป็นตัวหัวหน้าแล้วก็ตัวอื่นก็อาจจะไม่ต้องนึกถึงบางตัวก็ได้นึกถึงอย่างเป็นที่สองก็ได้ หรือว่าสมาทานแล้วก็ปล่อยวางไปจากความรู้สึกนึกคิดเนี้ยในระหว่างนั้นก็ได้แล้วก็ไอ้บางตัวเนี่ยเกื้อกูลต่อกุศลธรรมทุกทุกอย่างในการทุกเมื่อยกตัวอย่างเช่นสติอย่างเนี้ยปล่อยไม่ได้ลืมไม่ได้ต้องมีในการทุกเมื่อความเพียรต้องมีในการเลิกไม่ได้บริหารให้ดี แต่ตัวที่เป็นหัวหน้ากับการสู้กับกิเลสเป็นระยะระยะท่านจะวางไว้เป็นเฉพาะตัวเฉพาะตัวนี่คือสมาธิที่ว่าเป็นบาทในรูปหนึ่งเป็นบาทอย่างใกล้ชิดนะความจริงยังมีบาทรไกลๆออกไปเล่าให้ฟังกหน่อยก็ได้เนี่ยเล่าไม่ใช่เล่าเรื่องแต่เล่าหลักการที่เป็นบาทขยับไกลออกไปเช่นคนได้สมาธิแล้วเนี่ย สามารถจะให้การคุ้มครองให้ความสะดวกให้ความปลอดภัยที่จะพึงเกิดขึ้นกับการปฏิบัติธรรมแก่ตัวได้ด้วยตัวเองไม่ต้องแขวนปละไม่ต้องหลวงพ่อแขวนไม่ต้องท่องกระถาให้ น, นนะมันก็คุมได้โดวยวิธีการทางคิตนะฮะในทุกสารพัดรูปแบบเลยเช่น คนที่แผ่เมตตานี่ท่านบอกว่าพระภิกษุที่ไปอยู่ป่าแล้วก็ถูกอามนุษย์เบียดเบียนถูกอปีศาจเบียดเบียนเดรัจฉานเบียดเบียนใช้เมตตาใช้เมตตาเจโตวิมุตต์คาว่าเจโตวิมุตต์ก็หมายถึงสมาธิที่เข้าเพื่อคุ้มครองตัวอย่าให้ใครเข้ามาเบียดเบียนเบียดเบียนก็ได้ หรือแม้แต่อมาตุคามทั้งที่เป็นผีสางนางไม้ที่จะเข้ามาเบียดเบียนในอีกแบบหนึ่งในฐานะที่เป็นอนิสานลง ก, ก็มาเบียดเบียนไม่ได้หายตัวแท้ทำไม่เห็นหรือมองไม่เห็นนี่ท่านทำได้ทั้งนั้นก็คุ้มครองให้พ้นจากอันตรายคลาดแคล้วจากสิ่งที่ถือว่าชั่วร้ายต่อธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่อย่างพระธุดงเนี่ย ถ้าเยกตัอย่างอย่างที่อย่างพอเราเข้าใจได้ท่านไปอยู่ที่นั่นที่นี่อาทิจิตติขาช่วยท่านได้อย่างสองอย่างอย่างเห็นเห็นอย่างที่ว่ามันเนี่ยนะคราวนี้พูดถึงสมาธิขันอันเป็นองค์อริยมรรคคือหมายถึงสมาธิขันเวลาสงเคราะห์ในองค์อริยมรรคเนี่ยมันมีแปดแต่ว่าเป็นสมาธิสอง สองคืออะไรคือสัมมาสมาธิและอะไรอย่างสัมมาสติสงเคราะห์เป็นสมาธิขันเพราะมันมีลักษณะตั้งมั่นเหมือนกันปกติเวลาเราพูดสติปัญญาสติปัญญาเนี่ยสติที่เป็นประโยชน์แก่ปัญญาตรงนั้นมีฐานะเหมือนเป็นสมาธิแล้วก็เป็นของที่เรียกว่า ทุกคนต้องใช้ไอสมาธิอธิจิตเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่มีก็ได้นะเะฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องพวกนี้ในแต่ละที่มีความมุ่งหมายแตกต่างกันแต่สําหรับตรงนี้นะ่ะเราก็อย่าสงสัยว่าทำไมสติไม่จัดเป็นฝ่ายของปัญญาสมาสังกัปปะความดําร่งชอบเป็นฝ่ายของปัญญาโดยเหตุผลว่ามันเคลื่อนไหวด้วยกันสติ ตั้งมั่นเหมือนกันสมาธิก็ตั้งมั่นสองอย่างนี้มีอาการคล้ายกันอย่างนี้จึงถือว่าเป็นสมาธิขันในหัวข้อต่อไปคืออธิปัญญาสิกญญขาได้แยกประเด็นไว้อย่างที่อธิบายแล้วว่าปัญญาที่เป็นโลกิยวิปัสนาอันหนึ่งเป็นอธิปัญญาสิกขาคือป็นยาเป็นตัวเองเป็นปัญญา ชั้นสูงอันเป็นที่มุ่งหมายของอธิศีนอธิจิตด้วยแล้วก็ตัวเองก็เป็นอธิปัญญาที่จะนำไปสู่มรรคผลอันเป็นอธิปัญญาขันบรรลุความสาเร็จด้วยประการหนึ่งอันนี้ปัญญาขันในส่วนที่เรียกว่าเป็นองค์มรมีสองในแปดนะคือสัมมาสังกัปปะกับสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐินะ่ะเป็นความเห็นชอบเป็นปัญญาโดยตรงสัมมาสังกัปปานั้นเป็นความตรึกที่ท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนกับอมือของบุคคลที่พลิกอารมณ์ห้พลิกสภาวะให้สัมมาทิฏฐิเนี่ยทําหน้าที่ปริน ญ, ญากิจให้รู้รอบเออ่วิตกก็เป็นตัวพลิกอารมณ์พลิกสภาวะมาให้ดูอดี๋ยวดูตรงนี้ก็เลยก็เลยเห็นว่าเอา๊ะ เวลาเราปฏิบัติเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเนี่ยปัญญาเราไปเที่ยวจะเง้อชะแง่ดูเองนั่นเราเราก็นึกเข้าใจอย่างไม่ได้คิดตามหลักปริยสัจก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ว่าหลักอริยสัจเนี่ยเขาแยกอาการของของจิตหรือพฤติกรรมของของจิตคือเจตสิกเนี่ยว่าตัวที่รู้ตามความเป็นจริงแค่นั้นเท่านั้นเป็นปัญญา ไอ้ความรู้สึกที่เราสึกว่าเราชังแง่เราชังเง้อไปดูเนี่ยมันเป็นอาการของวิตกคือสัมมาสังกปะที่มันเป็นตัวพลิกมุมไม้หรือชักจิตให้ไปดูมุมนั้นมุมนี้ก็เรียกจะเรียกว่าพลิกอารมณ์ให้ดูหรือชักปัญญาให้ไปดูมุมนั้นมุมนี้ก็ได้ผลมันเหมือนกันคือเห็นได้รอบด้านจึงถือว่าเป็นปัญญาอย่างนี้เพระนั้นเออ่ ตากวิทยาคือวิยาเป็น ว, วิชาของการเรียนรู้ในทางปัญญาเนี่ยก็เอาวิตกไปเรียกเหมือนกันอันนี้ก็อธิบายเพิ่มเติมสำหรับในส่วนนี้เราดูเราไปพูดถึงภาวนากุศลทั้งนิดนะภาวนากุศลในหน้าที่สามภาวนากุศล บุญที่สําเร็จด้วยการอบรมจิตแบ่งเป็นภาวนาคือความสงบจิตเป็นบาศแก่วิปัสนาแล้วก็ที่เป็นองค์อริยมรรตอันนี้เป็นประเด็นที่ได้พูดแล้วนะอันนี้มาพูดถึงว่าคนเนี่ยสามารถจะเข้าฌานหรือถามอีกอย่างห น, นึ่งว่าวิปัสนาญาณกับฌาน เกิดพร้อมกันได้ไหมพร้อมกันโดยความเป็นฌานแท้ๆเช่นฌานที่หนึ่งเกิดพร้อมกันกับวิปัสสนาญาณที่หนึ่งฌานที่สองเกิดพร้อมกับวิปัสสนาญาณที่สองเป็นฌานด้วยเป็นวิปัสสนาญาณด้วยได้หรือไม่ตอบว่าไม่ได้ตอบว่าไม่ได้ทีนี้ถ้าตอบว่าไม่ได้เดี๋ยวก็สงสัยว่าอา้าวถ้าอย่างนั้นแล้ว วิปัสนาญาณนั้นก็ไม่มีอาที่จิตสินี่คือข้อแยง้งมันเป็นข้อที่ชวนให้สงสัยประเด็นหนึ่งเดี๋ยวค่อย ก, กลับมาตอบนี่ผมถามอีกจุดหนึ่งว่าฌานเกิดพร้อมกับมรรคญาณได้หรือไม่เกิดพร้อมกับผลญาณได้หรือไม่เออเกิดได้ขึ้นมาวิปัสาานาญาณเกิดปนฌานไม่ได้แต่พอมาถึงมรรคผลเกิดปนฌานได้นี่เมื่อมรรคผลเกิดปนฌานได้ เช่นปนกับฌานที่หนึ่งหรือปนกับฌานที่สองแต่แต่ปนทุกฌานไม่ได้นะมรคทุกมรคมาเกิดมาปนกันมรคสี่ฌานแปดเกิดมาปนกันในขณะจิตเดียวกันไม่ได้ครับมากไปมันต้องทีละมรคทีละฌานมรคใดกับฌานใดผลใดนะัด่นอีกเรื่องไอ้ที่มันปนกันได้นี่แหละครับถึงบอกว่า ความเป็นอธิจิตอธิปัญญาอาธิศีลเนี่ยมาได้กําลังสมดุลกันตรงนี้เป็นความสําเร็จสมดุลกันตรงนี้จึงปนกันได้แล้วมันมีบทอธิบายอื่นอีกซึ่งมันอาจจะยากไปวิปัสสนาเนี่ยปนกระชานไม่ได้ก็เพราะว่าวิปัสสนานั้นเป็นจิตเคลื่อนไหว จิตที่ต้องเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไปกับอะไรกับอีิจังทุกขังนิจตานามลูกที่หลากหลายมาส่วนฌานเนี่ยเป็นจิตที่ไม่เคลื่อนไหวอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งที่กำหนดแล้วก็นิ่งอยู่อย่างนั้นจึงเกิดปนกันไม่ได้แต่กล่าวว่าผู้ได้วิปัสสนาญาณ น, นั้นไม่เสียอธิจิตเพราะว่าได้พลังของอธิจิต มาในรูปที่ผมได้กล่าวแล้วที่คือเข้าฌานถอยออกจากฌานดูฌานเป็นอารมณ์ได้พลังอุปนิสัยป้องกันกิเลสให้จากฌานทีนี้เราก็ย้อนกลับมาดูมักอีกว่าและถ้ายังงั้นแล้วทำไมมักเกิดกระฌานได้เมื่อกี้ผมบอกไลวว่ามันเป็นถึงจุดสำเร็จ แต่เหตุผลในในมุมเทียบกับวิปัสสนาก็คือในมรรคเนี่ยมีอารมณ์เป็นอันเดียวคือนิพพานเป็นอารมณ์ไม่มีการเคลื่อนไหวว่าเป็นนิพพานนั้นนิพพานนี้นินพานนนพานเกิดนิพพานดับไม่มีนิพพานเป็นอันเดียวซึ่งเป็นอาการที่สอดคล้องกับลักษณะฌานจากพึงเกิดได้ ฌานถึงเกิดในมรกได้เกิดในผลได้เวลาพระอหลานที่ได้ฌานไปเข้าผลสมาบัติเนี่ยเข้าทั้งผลสมาบัติและเป็นฌานสมาบัติไปในเวลาเดียวกันแต่เวลาเรียกเรียกผลสมาบัติเพราะเอาคุณสมบัติที่ดีกว่าเป็นเครื่องเรียกคุณสมบัติที่ตามกว่าไม่เรียกที่จริงจะเรียกว่าศีลสมาบัติ ก็มีก็ควรเรียกได้แต่แต่ท่านไม่เรียกนะทาไมถึงเรียกได้เพราะว่าในผลระยานเนี่ยมีมีองค์ศีลอยู่ใช่ไหมถูกไม่ถูกมีองค์สมาธิอยู่แต่ไม่เรียกทั้งที่ในขณะนั้นมีอสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมม aji วะเราดูวิปัสสนาภาวนาต่อ วิปั ส, สนาเนี่ยเป็นชื่อของปัญญาที่ถูกเรียกอย่างเป็นพิเศษคือปัญญาที่ถูกเรียกอย่างเป็นพิเศษเราจะคุ้นอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคืออภิญญาอภิญยาก็แปลว่าวิเศษเหกันพิเศษหรือยอย่างยิ่งความรู้หรือปัญญาพิเศษเรียกว่าอภญนาและอภญนาแบ่งเป็นสอง โลกิยาพิญญาก็อย่างที่ผู้มีฤทธิ์มีอภินิหารมีความสามารถอย่างรู้พิเศษรู้กันทํากันนั่นแหละเรียกว่าโลกิยาพิญญาอภิญาภญาอีกอย่างนึงคือ อ, ร ห, อรหันต์อรหันต์ยานเป็นความสําเร็จชั้นสูงสุดชั้นวิเศษสุดในสายวิปัสสนาเรียกอวิญญาแต่วิปัสสนาเนี่ย แปลว่าเห็นวิเศษเห็นพิเศษหรือเห็นแจ้งท่านท่านเรียกปัญญาเป็นกรณีพิเศษแต่ว่าข้อพิเศษของวิปัสนาจึงเป็นความวิเศษที่ชาวโลกไม่เห็นวิเศษเลยมันเพราะว่ามันมันมันกลับแต่ละป่ดตรงกันข้ามอย่างสมมติว่ามีผู้มีเจโตปริยมัมบอกนะีะคุณคิดยังไงรู้หมดนะพรุ่กนี้คุณจะเป็นยังไงรู้หมดนะ เมื่อสิบปีที่แล้วเป็นไงรู้หมดนะคุณตายมาจะพบไหนตายและจะไปไหนรู้หมดนะนี่เราก็ว่าพิเศษตื่นเต้นยืนยันได้เองบ้างแล้วก็ยังไม่รู้บ้างไม่เคยรู้บ้างก็อาจมีเราตื่นเต้นแต่ถ้าว่ามีผู้มีอมีอวิปัสสนาความเห็นวิเศษบอคุณ น, นี่อ น, นิจจังตั้งกระหัวจดเท้านะ <c oughs> เราก็พลอยจะโกรธเอาแล้ว อนนี้จังมาทุกชาตินะนี่อนัตตาทุกชาติอันนี้จังทุกครังมาทุกชาติหาว่าแจง้งกันอีกต่อไปก็อนนี้จังทุกครังอนัตตานะทุกนะเนี่ยทุกทั้งตัวนะทุกไม่มีวันสั่งเจ้านะรุ่นสาวก็ดีเสลนองเลือดนะนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งก็เหม็นสกปลกนะรุ่นแก like ่ก็ดีเสลดหนองเลือดพูดตามภาษาวิปัสนาเราไม่เห็นด้วยเราไม่เห็นด้วยเลยแล้วจะทําให้เห็นด้วยโดยข้อพิสูจน์อย่างงู้นอย่างนี้อย่าง การสืบสวนทางประสบการณ์อย่างทางอภิญาเนี่ยไม่มีทางจะทำได้ง่ายๆเลยต้องใช้บารมีใช้ความสามารถเป็นวิเศษเลยจริงจะได้เพราะนั้นอันนี้แหละผู้สำเร็จวิปัสสนาถึงขั้นอริยะแล้วท่านเรียกเป็นผู้มีฤทธิ์เหมือนกันนะมีฤทธิ์แต่เป็นฤทธิ์ทางปัญญา โลกธาต์ชีวัาตุของท่านเหล่านี้เห็นเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นอริยาอิทธิเป็นลิทธิชาวโลกไม่นิยมกานี้วิปัสสนาที่ว่าเรืงในยานที่หกเนี่ยอย่างที่ได้ว่ามาแล้วมันมีโดยปริยายกับโดยนิปริยายนะอันนี้ย้ำอีกนิดหนึ่งนะโดยปริยายคือวิปัสสนาโดยอ้อมได้แก่โดยอนุโลม เพราะไม่มีใจรักเป็นอารมณ์ก็ได้แก่ยันหนึ่งยันสองไม่มีใจรักมีแต่นามรูปแล้วก็โคตรภูมไม่มีตใจรักเป็นอารมณ์มรรคผลปัจเจเวหรือเป็นพวกไม่มีใจรักก็เป็นโดยอนุโลมเพราะอยู่ในฐานะเป็นเหตุของวิปัสสนาแท้เป็นผลได้อย่างวิปัสสนาแท้อนุโลมไปอย่างนั้น ส่วนนิปริยายโดยตรงนั้นได้แก่ยานใดที่มีพัตตะไลักษ์ของนามรูปเป็นอารมณ์เรียกวิปัสนาได้อย่างโดยแท้จริงกกล่าวอย่างนั้นแล้วก็เรามาดูในจุดสุดท้ายก่อนจะจบเนี่ยนี่อีกหน่อยนะว่าวิปัสนาญาณสิบหกเนี่ยยานที่หนึ่งยานที่สองยาน จับรูปจับนามคือจับตัวรูปจับตัวนามจับตัวสภาวะได้เอาง่า ย, ง, า ย, ง, ายงี้นะอันนี้จะไปเกี่ยวกับการเรื่องอภิย ญ, ญาณเรื่องปริญญาขนะ่าวหน้ายานหนึ่งยันสองคือนามรูปปัจจะถือว่าเป็นยานที่รู้หรือจับตัวรูปจับตัวนามได้ ทั้งโดยตัวโดยเหตุอะไรก็ถือว่านั่นแหละรู้จักตัวเป็นญาณรู้จักตัวญาณที่สามกับญาณที่สี่เป็นญาณรู้จักอาการของตัวนามรูปคืออนิจจสุขั ง, ขงนาตาเกิดดับญาณสามญาณสี่ญาณห้าจนกระทั่งถึงญาณที่เรียกว่าสังขารุปเปยขายญาณ เลยไปถึงอนุโลมยานก็ได้ถึงอนุโลมยานเลยนะถึงอนุโลมยานยานที่สิบสองเป็นยานที่รู้สึกตรงนี้จึงเป็นหลักสำคัญมากเลยครับของของอวิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยจะรู้สึกได้โดยไม่มีอารมณ์ไม่รู้รู้สึกได้แต่รู้สึกต่ไม่รู้รู้สึกในอะไรไม่ได้หรือจะบอกว่ารู้สึกในอะไรแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไร ก็ไม่ได้อีกวิปาาัสนาญาณพังขยานเนี่ยท่านท่านจะเห็นว่ามันเห็นความเกิดดับก็จริงแต่ว่าจุดเน้นมันไม่ได้อยู่ที่ข้อเท็จจริงแล้วเพราะนี้เห็นมาแล้วทีนี้เมื่อเห็นนานเข้ามากขึ้นเนี่ยความรู้สึกก็เกิดเพราะธรรมะเนี่ยจะต้องเป็นของประกอบกันหนึ่งข้อเท็จจริงมาก่อนตัวของข้อเท็จจริงอาการของข้อเท็จจริง แล้วก็ได้ความรู้สึกไอ้ควาว่ารู้สึกเนี่ยหมายถึงรู้สึกในในธรรมอย่างที่เป็นธรรมเราจะเห็นว่ายานลหลยายหลายนเนี่ยเป็นชื่อของความรู้สึกเช่นรู้สึกว่าเป็นภัยรู้สึกว่าเบื่อรู้สึกว่าอยากจะหนีอย่างงี้นะและรวมทั้งทําใจเป็นอุเบกขานี่ก็คือตั้งความรู้สึกขึ้นไปอีกระดับนะี่นี่เป็นเรื่องของความรู้สึกทั้งนั้น แล้วก็อนุโลมายานมันก็เป็นจุดพอดีของความรู้สึกที่มันไหลเข้าไปสู่มรรคยานบุรยานทีนี้ไอความรู้สึกอย่างเนี้ยมันเป็นเนื่องจากก็เป็นความรู้สึกด้วยปัญญาจึงเป็นผลต่อการละกิเลส ท, ทำลายกิเลส ความรู้สึกของมนุษย์เนี่ยมันรู้สึกสองอย่างรู้สึกพอกผูนรู้สึกอย่างกิเลสรู้สึกอย่างวิชาพอกผูนกับรู้สึกอย่างผมถึงบอกว่าบางคนเนี่ยบน่นว่าแม้เบื่อเวียนไหวใจเกิดลิหลือเกินถามว่าทําไมถึงเบื่อเวียนไหว้ใจเกิดคุณมีความรู้สึกต่อเห็นข้อเท็จจริงในชีวิตคุณอย่างไรเห็นอ น, นิจจังทุกขังนันตาอะไรยังไงหรือไม่ บางทีก็ไม่ได้เห็นนะพูดต่างๆเข้าไปก็มีทีนี้มีอยู่บางคนเนี่ยครับรู้สึกเบื่อมันเป็นสิ่งที่ติดมาจากชาติก่อนนะอย่างพระมหากระสปะเป็นต้นนี้นะติดมาจากชาติก่อนเป็นบารมีติดมาจากชาติก่อ น, น, รรดาาอนได้แต่รู้สึกแต่ในทางเหตุผลค้นไม่ได้ว่าทาไมเรารู้สึกเห็นความไม่เป็นสาระของชีวิตรู้สึกสะพึงกลัวอย่างนูอย่างนี้นะอธิบายไม่ได้ในชาตินี้เพราะมันลืมไปแล้วแต่บา ร, รมีมยังอยู่ พพวกนี้ก็สแสวงหาพอมามาทำเห็นเข้ามันก็มาสอดคล้องกับความรู้สึกว่าอ๋อความรู้สึกนี้มันเกิดจากอันนี้แล้วก็พัฒนาต่อไปได้อันนี้คือไอ้ความรักลั่นความพบความชติแต่ความรู้สึกอย่างนี้นะถ้ารู้สึกด้วยปัญญาแล้วก็ดีมากแต่การจะได้ความรู้สึกอย่างนี้ถ้าไม่ได้รับการคุ้มครองด้วยปัญญาเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะทำไมเรารู้อันตราย บางทีเราก็ต่อตัวเองได้อย่างบางคนเนี่ยบอกว่าฉันกลัวไอ้บทอธิบายอย่างนี้มากเช่นกลัวพูดถึงความแก่ความเจ็บความตายความปฏิกูลเพราะฉันเบื่อเพราะเบื่อแล้วเนี่ยฉันทำอะไรไม่เป็นเลยทำอะไรไม่ถูกเลยก็มีฉันไม่อยากทำอะไรเลยเลยกลายเป็นว่าธรรมะเนี่ยทำให้มืออ่อนตีนอ่อนจริงๆนะฮะ อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้รับเกือ้อกูลจากปัญญาต้องอธิบายใหม่ถ้าได้รับเกือ้อกูลจากปัญญาแล้วยิ่งรู้สึกยิ่งกระตือรือร้อนนั่นคืออ่อนไม่ทําความชั่วแล้วก็กระตือรือร้นที่จะทําประโยชน์ที่ดีกว่าสูงกว่ามันมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นก็จะอยู่ด้วยความแช่มชื่นไม่อยู่ด้วยความง่อยๆอย่างนั้นเป็นกลายเป็นกิเลสไปเพรานะฉนะนะั้นผมว่าธรรมะเนี่ยทุกๆระดับเนี่ยนะทีม ไปแล้วมันมันมีกิเลสคอยหาช่องอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเข้าใจไม่ดีก็นึกว่าธรรมะผิดไปนั้นไอความแม้แต่ความรู้สึกไม่ดีเนี่ยบางทีถ้าเอาปัญญาเข้าไปควบคุมหน่อยก็ดึงกลับมาทางดีได้ไม่อย่างคนที่เบื่อชีวิตคิดจะฆ่าตัวตายเบื่ออย่างธรรมดาเนี่ยดึงเข้ามาทางดีได้ถ้าหากว่าเราเอาธรรมะเข้าไปใช้ให้เหมาะ ก, กับ คนดีกับความรู้สึกเข้าถึงจะเป็นไปอยู่ในทางผิดก็ตามวันนี้ขอยุติเท่านี้นะครับพบกันในวั น, นกราบขอบพระคุณอาจารย์สุเทพโพธิสัตยาเป็นอย่างยิ่งแทนพวกเราทุกคนด้วยนะคะเ อ, อนั่นก็เป็นอ อ, องค์ที่หนึ่งฉากที่หนึ่งของปริญญาปัญญา เ, เชื่อว่ามีหลายคนในที่นี้ที่อาจจะ อ, อืฟังแล้วหมึนนะคะ เ, เมื่อตอนเริ่มต้นรายการลื ม, ลมอบอกไปว่าการเข้าไปฟังธรรมะแต่ละครั้งเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งถ้าเปิดไปครั้งแรกแล้วก็ธรรมะที่ฟังนั้นเป็นอภิธรรมเนี่ยขอให้ตั้งใจไว้ให้ถูกว่าไม่มีใครที่ฟังครั้งเดียวครั้งแรกเรารู้เรื่องหมดทุกคง และในทางกลับกันก็ไม่มีใครที่ฟังครั้งเดียวครั้งแรกแล้วไม่รู้เรื่องสักคำหนึ่งจากจุดนี้เองท่านที่ไปฟังธรรมจากนี้ไปโดยเฉพาะยิ่งที่ยัง อ, อ, อินทรีย์ไม่แก่กล้าในทางฟังธรรมนะคะ อ, อ, อะไรที่เราไม่รู้เรื่องเนี่ยอย่าไปสะดุด ทิ้งไปเลยแล้วเราเก็บแต่เฉพาะที่เรารู้เรื่องคล้ายๆฝนตกห่าใหญ่แต่เรามีขันมีํำอ่างไปเล็กๆ เ, เราไม่เหมือนบางคนเขามีอ่างเก็บน้ำทั้งอ่างอะไรเงี้ยนะคะเขาเก็บน้ำไว้ได้เยอะแต่การฟังธรรมนั้นพระเจ้าก็ตรัสว่าต้องฟังหลายๆครั้ง ครั้งแรกนี่สิ่งใดไม่เคยได้ยินได้ฟังก็จะได้ยินได้ฟังเ mm hmm. ชื่อแน่วนันนี้มีหลายอย่างที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังนะคะโดยเฉพาะยิ่งคนที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนหรือแม้แต่ผ่านการปฏิบัติของแม่ศิริกซึ่ง mm hmm. ทุกคนจะได้ฟังเทศลำดับยาณสิบหกจะอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบหน่อยนะค ะ, ะเนี่ยเพราะฉะนั้น สิ่งใดที่มันเคยได้ยินได้ฟังก็จะได้ยินได้ฟังสิ่งใดที่ได้เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเข้าใจดีขึ้นอย่างโอโ้วันนี้พี่ได้อะไรเยอะแยะเลยนะคะทั้งนั้นที่เออพี่ก็ฟังเรื่องนี้มาเถือเป็นอภิธรรมก็ฟังมาสิบสามปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ แล้วก็นอกจากนั้นการอันนี้ส่งของการฟังธรรมก็คือว่าขาจัดความสงสัยทำลายความเห็นผิดและทำจิตให้ผองแผ้วแล้วถ้าเปิดฟังได้ดีย่อมเกิดปัญญานะคะเนี่ยทีนี้วันนี้มีหลายเรื่องเลยนะคะสักสามสี่เรื่องที่ที่น่าจะย้ำแล้วก็ขีดเส้นใต้โดยช้อยยิ่งถ้าเปิดเราเอาธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังนี้ไปประยุกต์กับ ชีวิตประจำวันหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมพุทธของเราเนี่ยนี่นะคะคือเรื่องปัญญาที่เป็นอภิญยากับปัญญาที่ที่ละกิเลสคือวิปัสสนาปัญญาเนี่ยพระชาวพุทธเรานะคะซึ่งพทธเจ้าก็จัดไว้แล้วว่าอย่างอิทธิปาฏิหาริ่งเหอเหินเดินอากาศได้กับอาเทศนาปฏิหารทายใจขวได้ ปฏิหารอย่างนี้มีแต่พระพุทธองค์ไม่ตรัสสรรเสริญเพราะรู้ว่าวิสัยของคนกิเลสนาปัญญาน้อยเนี่ยจะไปติดของพวกนี้แล้วคนที่มีอภิญญาเหล่านี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่มีธรรมะคือโดยเฉพาะยิ่งยิ่งหมดจดจากกิเลสจึงเป็นเรื่องที่อันตรายและได้ทําอันตรายแล้วเอโดยเฉพาะยิ่ง ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็นึกว่าเรื่องหมดไปแล้วหรือกลังหายหายไปแล้วอา้าวมีเรื่องใหมโ่โผล่มาแล้วจากนี้จะพุดต่อจะพุดขึ้นอีกเยอะเลยนะคะเนี่ยแต่เรามีบุญได้มาฟังคำของครูบาอาจารย์เนี่ยทำให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วพู้เจ้าตรัสสนเสริญปาฏิหาริย์ประเภทที่สามคือ อนุสาสดิปฏิหารคือเอาศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติมาประพฤติปฏิบัติตามก็จะได้ทำสมควรแก่ธรรมตามที่ธรรมารุธรรมะปฏิบัตินะั้นนะคะเนี่ยอันนี้อันนี้ต้องฟังมากทีนี้ประเด็นที่อีกอันหนึ่งที่อาจารย์พูดยัง ผ, ผ่านๆไปเนี่ยแต่แต่พี่สะดุดนะ ก็คือว่าออยิ่งขั้นสูงขึ้นไปเนี่ยกิเลสมันยิ่งละเอียดที่ในอย่างเราเนี่ยนะคะหันไปหันมาเนี่ยไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยภาวานากุศลเป็นยังไงไม่รู้วันดีคืนดีเราได้เข้ามาปฏิบัติหลักสูตรเจ็คืนแปดวันของคุณแม่เนี่ยนะะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งคนข้างนอกเขาก็จะคาดหวังว่าเราจะต้องเจ็ดคืนแปดวันนี้กลับออกมาต้องบริสุทธิ์หมด ของแพ้หมดอะไรเงี้ยนะคะ อ, อโกรธไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะแต่นั้นเป็นเรื่องของคนอื่นแต่เรื่องที่เราจะต้องสังวรไว้มากๆก็คือว่ายิ่งลึกเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งปฏิบัติมากเข้าไปเท่าไหร่กิเลสหยาบมันจะหมดไปแต่ยังมีอตัวการคือกิเลสอย่างละเอียดเนี่ยมันรอเราอยู่ข้างหน้าอย่างท่านพระอาจามหาบัวซึ่งพี่ก็ชอบอ้างถึงคําพูดของท่านเนี่ยท่านถามว่ารู้ไหมทําไมธรรมะจึงเป็นของละเอียด แล้วท่านก็ตอบเองเพราะกิเลสมันเป็นของละเอียดแล้วยิ่งถ้าเกิดเราปฏิบัติไปสูงๆเนี่ยมางทีเรานึกว่าอะได้ยานเกิดปัญญาอะไรแต่ะไรเงี้ยแต่หารู้ไม่ว่าเรากําลังไปยืนอยู่บนปากเหวซึ่งลึกกว่าเ อ, อท้องล่องท้องขูที่เราคิดว่าเราข้ามพ้นมาได้แล้วนะคะอันนี้ต้องสํารวมระวังไว้นะคะแล้วเ อ, อบางคนเนี่ยออกไปจากนี่ อาจจะไปอ่านหนังสือจะเห็นจะเห็นว่าจะไปพบที่ท่านเรียกว่าวิปัสสนาญาณเก้าถ้าเบื่อไม่ได้ฟังธรรมะมากมาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะก็เราฟังเท่นลำดับญาณสิบหกของท่านเจ้าคุณอาจารย์นะะมีสิบหกทำไมตอนนี้เหลือเก้านะฮะหายไปไหนเจ็ดอะไรแบบนี้นะคะ ตรงที่เขานับเป็นวิปัสนาจริงๆเนี่ยวิปัสนาญาณเนี่ยนะคะคือตั้งแต่อุทธิภิญญ า, ย า, ย, ายานที่สี่ไปจนกระทั่งถึงอนุโลมายานยานที่สิบสองแล้วตรงที่เป็นวิปัสนาคือตรงที่ไปเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามแต่นอกนั้นมัรคญาณไม่ใช่วิปัสนาญาณแล้วนะคะผลญาณก็ไม่ใช่วิปาาัสนาญาณมัรคญาณ ไม่ได้มีตรลักษเป็นอารมณ์แต่มีนิพพานเป็นอารมณ์ผลละยานก็มีพันธิพาณเป็นอารมณ์นะคะปัจเจเวขณะยานไม่ได้มีตรลักษณ์ติดด้วยมีแต่กิเลส ท, ที่ละได้และกิเลส ท, ที่เหลือมาเป็นอารมณ์มาพิจรารณานี่นี่คือความละเอียดอ่อนในขั้นของปริยัตินะคะเพราะฉะนั้นพี่พี่ยกขึ้นมาเพราะอะไร เพราะพี่เองเคยงงนะคะพี่เองเคยงงใครไม่งงก็แล้วไปนะคะแต่นี้ก็พูดดักไว้ก่อนนาประเด็นที่สำคัญที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือที่เราเห็นชัดวันนี้แล้วยิ่งคนที่เพิ่งไปปฏิบัติไปใหม่นะะออกมาเนี้ยพี่จะเตือนเสมอครูบาอาจารย์จะเตือนนะคะว่าระหว่างทำสมาธิกับวิปัสสนาเนี้ยข้อแตกต่างมันอยู่ตรงไห น, น พูดง่ายๆอย่างเราชาวบ้านเนี่ยนะคะเอาหลักหลักจริงๆเลยนะคะขณะใดที่คุณรู้สึกว่าจิตเนี่ยคุณแช่แช่อยู่ในอารมณ์เดียวอันนั้นเป็นสมาธิละ่ะสมาธิมีอารมณ์เป็นหนึ่งเอกคตาแล้วก็ตั้งมั่นทำให้จิตนั้นมีพลังแล้วพลังอันนั้น ไปข่มกิเลสได้และกิเลสในที่นี้กิเลสซึ่งเราจะพบในห้องกรรมฐานมันไม่ใช่กิเลสไปฆ่าคนไปข่มขืนทำรายอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเราจะเจอกิเลสที่อย่างกลางคือนิวรณ์พลังของสมาธิเนี่ยมันจะนั่นได้แต่ว่าจะต้องแช่อใช้ใช้คําว่าแช่นะคะ<ม>กับเวลาทําวิปัสสนาเนี่ยจิตมันต้องไว นะฮะมันต้องรับอารมณ์ไม่ว่าอะไรมาเป็นประธานแล้วการที่าอาจารย์สุเทพวิเคราะห์วันนี้โอ้โหน ะ, ะอย่าง<ม>พอพี่อ่านล่วงหน้าไปเนี่ยนะฮะสามาธิขันอมีองสองเอ๊ะเราชักงงล้นะฮะองสองคือคือสัมมาสามาธิกับสัมมาชติแล้วอาจารย์ก็วิเคราะห์ให้เห็นเลยว่า ก็คือว่าทำไมท่านจึงเอาสติมารวมอยู่กับสมาธิแล้วอยู่เป็นสมาธิสิกขาด้วยเป็นสมาธิขันด้วยนะะเนี่ยเพราะมันสภาวะมันคล้ายๆกันไม่ใช่เหมือนกันนะฮะเหมือนกันมันก็มีอันเดียวแต่สตินี่คือระลึกอยู่ได้ในปัจจุบันขนาดนั้นแล้วก็สมาธิมันก็ตั้งมั่นอยู่ในขนาดนั้นยิ่งเป็นคณิกาสมาธิก็ชั่วขณะเดียว ตั้งมันชั่วขนาดนี้นี่มันถึงไปด้วยกันแล้วก็ทำงานด้วยกันนะฮะแต่ส่วนวิตกนะซึ่งเป็นองค์ธรรมของสัมมาสังกัปปะนะคะเออมันยกจิตขึ้นสู่อารมณ์นะคะเออให้ปัญญาพิจารณานะฮะเนี่ยให้มาปรารบอารมณ์นี้มันมันทำงานอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นปัญญานี่ต้องไหวตัวจะแช่ไม่ได้ แต่ในการที่ปัญญาทํางานเนี่ยมันก็จะต้องมีอารมณ์หลักแล้วก็อารมณ์จร น, น ะ, ะถ้าเบื่อไปไม่มีอารมณ์หลักเลยนะคะเดี๋ยวจรไปนัน่นเดี๋ยวจรมานี่นั่นเขาเรียกว่าฟุ้งล่ะเป็นนิวร์ล่ะนะคะอันนี้สําคัญมากแล้วก็เชื่อแน่เลยว่าหลายคนโดยเฉพาะยิ่งคนที่ปฏิบัติมากๆเนี่ยจะจะได้ประโยชน์จากจากการฟังวันนี้ แล้วถึงแม้ว่าคนที่เพิ่งเริ่มปฏิบัติและเพิ่งเริ่มเข้ามาในแวดวงของธรรมะวันนี้พี่ดีใจมากเลยเห็นามากันคับข้างนะคะมากันคับข้างและหวังว่าคราวหน้าเนี่ยจานวนจะมากกว่าคราวนี้เพราะว่าคนทุกคนที่มาฟังนี้จะไปชวนเพื่อนๆมาด้วยไม่ใคราวหน้าลดเหลือครึ่งเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดลดเหลือครึ่งหนึ่งพี่ก็จะไม่ประหลาดใจ พี่ก็จะไม่พลาดใจนะคะใครอยากมีบุญก็มาก็แล้วกันนะคะทีนี้มีอันหนึ่งนะคะที่ทำให้พี่นึกถึงคำพูดของคุณแม่เสริกคุณแม่ชอบพูดว่าศีลเป็นสะพานทานเป็นสะเบียงใช่ไหมอันนี้มีเลยนะคะไหนพระสูตรพระคุณเจ้าอาจจะนึกออก อันนี้จริงนะคะจริงตรงที่ว่าอย่างเราจะไปทําอะไรเนี่ยในทางโลกเนี้ยเขาเขาบอกว่าต้องมีความพร้อมต้องมีความพร้อมนะฮ mm hmm. เราคิดว่าเนี่ยเดือนถึงแปสิงหาเนี่ยเราจะไปเข้ากรรมาฐานนะเราก็เออคืนมาสุดท้ายเลี้ยงส่งซะก่อนไปเข้าดิสโกเทคนะหรือไม่ก็ไปฟังเพลงนะโอ้อันนี้อันตรายน ะ, ะเราต้อง ต้องเตรียมให้พร้อมนะคะแล้วถึงแม้ว่านี่ในระยะสั้นนะคะแต่ในระยะยาวเนี่ยบางครั้งเราไม่อยู่ในฐานะไม่ได้โอกาสที่จะไปปฏิบัติธรรมไปทาภาวนากุศลเราทำศีลกุศลไว้เราทำทานกุศลไว้ไม่เสียหายเพราะในที่สุดทุกคนจะต้องเป็นคนเดินทางเดินทางไหนทางสายกลางที่พระเจ้าองค์ตรัส แล้วนักเดินทางทุกคนต้องมีอะไรคะสเบียงนบโปเลียนก็บอกว่ากองทัพเดินด้วยท้องเราเป็นกองทัพธรรมนะคะต้องมีเสเบียงทานนี่แหละจะเป็นสเสบียงนะคะทีนี้เราเดินทางท้องอิ่มน ะ, ะไม่หิวไม่อิดโรยนะคะแต่เดินไปเดินไปไอ้ทางที่เดินนั่นทั้งขาดทั้งโจรผู้ร้ายเอ อ, อะไรแต่อะไรมากมาย นะคะไม่ปลอดภัยอะไรจะมาช่วยรักษาความปลอดภัยให้กัเราคือศีลศีลจะมาช่วยนะคะยังเมื่อหลักสูตรเดคืนแปวันที่พี่พิ่งที่ผ่านมาที่พี่ทำพึ่งจบไปเนี่ยน ะ, ะมีโยพีคนหนึ่งขึ้นมารายงานความรู้สึกเธอบอกว่าก่อนจะมาปฏิบัติเนี่ยนะเออ เธอทำบุญใหญ่เลยไปปล่อยสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ทำทานนะคะทาทานแล้วก็คื อ, ค, อคือทาบุญทุกรูปแบบเท่าที่จะนอกห้องกรรมฐานจะทำได้นะคะเพื่ออะไรเพื่อเตรียมนะคะเตรียมที่จะเข้ามาในห้องกรรมฐานเตรียมความพร้อมนะคะพระทุดงที่เข้าไปในตามป่าเนี่ยนะคะแผ่เมตตาไปตลอดทาง นั่นอะไรเคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่นี่คือความละเอียดอ่อนในการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเผื่อคุณคิดว่าคุณสมาร์ทมากเนี่ยอย่าว่าแต่ในทางปฏิบัติธรรมเลยในทางโลกโลกเนี่ยเลือกถึงผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยท่านเป็นทุกโรคเลยเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจถึงจะต้องไปทำบายพาสแล้วลุ่งขึ้นจะผ่าตัด ทำใบพัดสวยใจท่านทานอาหารอย่างสบายใจแบบคนตามใจปากติดกับรสสัตวตันหาติดอยู่ในรถเราก็ไปเตือนท่านบอกพรุ่งนี้แล้วนะคะจะเข้าผ่าตัดเนี่ยระวังอาหารนะโอ้ยยาสมัยใหม่เขาเก่งน่ก่อนเข้าห้องผ่าตัดนี่หมอเขาก็ให้ยาแล้วก็จะช่วยได้เสร็จแล้วปรากฏว่า ทำบายพาสสำเร็จแต่ว่าระหว่างที่ทำเนี่ยมันเกิดสมองขาดออกซิเจนไปชั่วขณะหนึ่งทำให้ออกมาแล้วหัวใจเป็นปกติแต่ว่าพูดไม่ชดัดแล้วม่านตาเนี่ยตกนี่ในทางโลกนะคะทางทำยิ่งเป็นของละเอียดใหญ่เลยนะคะก็รู้สึกว่ามี มีมีเรื่องที่จ ะ, ะขีดเส้นใต้ขยายความซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะคะ้วันนี้มีเรื่องที่จะต้องอขออภัยนอกจากความขลุขักตอนต้นนะคะคือแอร์ไม่เย็นแล้วก็อาไว้ใโปรเจคเตอร์ไม่พร้อมนะคะก็เป็นการเป็นโอกาสให้พวกเราได้ฝึกคันติบปรมี ค่ะคันเตวาร ม, มีนอกจากนั้นเอกสารคงยังไม่พอใช่ไหมคะใครไม่ได้เอกสารมากทุกคุนเจ้าไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเตรียมมาไม่พอนะคะไม่ได้คิดว่ า, าจะมีผู้มาฟังคับข้างอย่างนี้นะคะก็เตรียมมาไม่พอถ้าเผื่อใครคราวหน้ า, าทุกครั้งเนี่ยที่เราทำไม่ว่าเราจะไปถึงครั้งที่สิบครั้งที่1ิสองและเหลือไลไรเนี่ย เอกสารที่แจกตั้งแต่ครั้งแรกเราจะมีอยู่ตลอดเวลานะคะฉะนั้นก็มารับข่าวหน้าก็แล้วกันนะคะออนอกจากนั้นนี่สำหรับท่านที่มาใหม่เนี่ยรายการของเราเนี่ยตั้งใจจะจันรลงพระศาสนาจะเผยแผ่จริงๆนะคะเรื่องเทปจึงเป็นเรื่องสำคัญแล้วในเรื่องนี้เนี่ยเราได้รับได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ใจบุญนะคะที่ไม่มองข้ามโอกาสที่จะตักตวงบุญอย่างคุณมนิทเนี่ยน ะ, ะกับเจ้าหน้าที่ของยูพุทธที่มาดูแลเรื่องเทปให้เราเมื่อสี่ปีก่อนที่พี่เริ่มทําโครงการนี้นะคะ mm. พอถึงเวลาอาจารย์จะบรรยายนะคะเจ้าหน้าที่ก็ฮิ้วเทปมาแล้วแล้วมาวางอยู่ตรงมุมนั้นอะญญเอาลำโพงนั้นอะมาะเพราะฉะนั้นเทปออกมาฟังไม่ได้เลย ครูบาอาจารย์ที่นิมนต์มาที่เชิญมานี้โอ้โหปรมาจารย์ทั้งนั้นเป็นที่น่าเสียดายแต่บริการเทปของเราเวลานี้นะคะดรธวัฒชัยก็ช่วยช่วยไปหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ดีแล้วเราทําอย่างเล็งผลเลิอดเราทํายังไง ร, รู้ไหมคะเราสายเทปสองม้วนทิ้งระยะกันนิดหน่อยเพื่อที่ตอนที่ม้วนแรกจบหน้าแล้วพลิกหน้า คำของครูบาอาจารย์จะไม่ขาดไปเที่เราทำถึงขนาดนี้บริการให้ทั้งหมดขออย่างเดียวมาเรียนนะคะขออย่างเดียวมาเรียนแล้วต่อเนื่องไปจนจบรายการแต่ละวันและจ บ, บคอร์สทั้งหมดนะคะก็ทีนี้มีเชพที่วางอยู่บนโต๊ะพี่เนี่ยนะคะ12ม้วนซึ่งเป็นผลของการปฏิบัติ 1-8 ที่ผ่านมากลางคืน ตอนข้าพี่นิบนธ์ครูบาอาจารย์สององค์แล้วก็อาจารย์สุเทพทั้งสามท่านได้พูดเรื่องอาตาปีสัมปชานโนสติมาบางคนไม่เคยคุ้นเคยกับศัพท์ของการปฏิบัตินี้ก็ถามบอกว่าเขียนปกเทพอย่างนี้ไม่มีใครรู้ให้อธิบายไปด้วย ก็ฟังซิกาเทปเนี่ยยิ่งเราไม่รู้นี่เรายิ่งต้องอาคาดใหญ่ต้องฟังให้รู้เรื่องไม่นั้นตายไม่ได้เลยแบบนี้นะคะเนี่ยเอาไปฟังคือเราพูดถึงองค์อุปกรณ์สำคัญสามประการในการไปปฏิบัติธรรมถ้าเืิดคุณเข้าไปในห้องกรรมฐานคุณไม่มีอาตาปะความเพียรสัมพัชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมและสติเนี่ยนะคะ คุณก็งงายพลึงกลับออกมานะคะกิเลสมันก็เอาไปกินนะคะเนี่ย อ, อ, อันนี้ต้อง อ, อ, อาจารย์สุเทพพูดสองคืนแรกคืออาตาปีนี่สี่คืนหลังเนี่ยนะคะท่านอาจารย์มโนพูพดคืนแรกเจริญสติทำไมทำไมจึงต้องเจริญสติแล้วมีสัมปชัญญะแล้ว คืนต่อมาสองคืนเด็ดกันท่านอาจารย์พระมหาบุญช่วยมาลงในรายละเอียดแล้วคืนสุดท้ายท่านอาจารย์มนบมาสรุปอีกทีที้เวลาที่เขาเลี่ยงเทปเนี่ยเขาเอาท่านมนบไปไว้ได้วยกันแล้วท่านท่านบุนช่วยไปไว้ได้วยกันแต่อันนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะคุณเอาไปฟังได้ใครต้องการนะคะไปลงชื่อข้างล่างบอกว่าต้องการเทปชุดอาตาปีสัมปชนโนสติมานะคะเออน่าเอาไปฟังเพราะว่า นานทีจะได้ครูบาอาจารย์